บทนำธรรมจกกักรกปวัตนาสูตรหมายถึงพระสูตรที่หมุนวงล้อธรรมให้เคลื่อนไปพระสูตรนี้เรียกสั้นๆว่าธรรมจกักรเนื่องจากพระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกในพระพุทธศาสนาจึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยตรงเป็นการประกาศแก่นแท้ของพระาศาสนาอย่างอาจหาร ชาวพุทธทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศใดมักรู้จักพระสูตรนี้และมีจำนวนมากที่ท่องจำสาธยายได้ในประเทศพมา่ามีการจัดตั้งชมรมผู้สาธยายธรรมจักในเมืองและในหมู่บ้านแทบทุกหัวระแหงเพื่อร่วมกันสาธยายและฟังพระสูตรนี้ชาวพุทธที่แท้จริงจะเคารพเลื่อมใสในพระสูตรนี้เป็นอย่างสูง แม้คำภีแปลและอธิบายพระสูตรนี้ที่ท่านผู้รู้ประพันธ์ไว้เป็นภาษาพมา่าจะมีอยู่หลายฉบับแต่ดูเหมือนไม่มีเล่มใดแสดงวิธีการปฏิบัติตามในของพระสูตรที่ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปรารถนาบรรลุมรรคผลจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรมได้อย่างจริงจังดังนั้นอาตมาจึงบรรยายพระสูตรนี้ ในสำนักกรรมฐานแห่งนี้และศูนย์วิปัสสนาอื่นโดยเน้นประโยชน์เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนาและได้มอบหมายให้ถอดเทปธรรมบัรยายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไปในลําดับแรกเราควรรู้จักที่มาของพระสูตรนี้ในพระไตรปิฎกก่อนพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นที่รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นแบ่งออกเป็นสามปิดกคือสามตะกร้าคือหนึ่งพระวินัยปิดกกล่าวถึงศีลของภิกษุและภิกษุณีที่เป็นการฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจา 2. พระสุตตันตปิดก กล่าวถึงหลักธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้แก่ศีลสมาธิปัญญา 3. พระอภิธรรมปิดกกล่าวถึงสภาวธรรมที่ละเอียดประณีตลึกซึ้งโดยยกมาวิเคราะห์วิจัยเป็นการเน้นเนื้อหาทางวิชาการล้วนๆพระสูตรที่จัดอยู่ในพระสูตรตันตปิดกแบ่งออกเป็นห้านิกาย 1. ที่านิกายชุมนุมพระสูตรขนาดยาว 2. มัชชิมานิกายชุมนุมพระสูตรขนาดกลาง 3. ส, สังยุตตนิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดกลุ่มตามหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4. อังคุตรานิกายชุมนุมพระสูตรที่จัดเป็นหมวดตามจำนวนข้อธรรม 5. ขุทธกะนิกายชุมนุมพระสูตรภาสิทธ์คาอธิบายและเรื่องเบต็ดตเตล็ดธรรมจากกัปวัตนสูตรนับเข้าในสังยุตตนิกายที่แบ่งย่อยเป็นห้าวัคคือสกาทวักนิธานวักขันทวักสลายตนวักและมหาวารวักสาหรับมหาวารวักยังแบ่งออกเป็น12สองกลุ่มย่อยเช่น มัคสังยุตโพชังคสังยุตสติปัฏฐานสังยุตจนถึงสั จ, จสังยุตอันเป็นสังยุตสุดท้ายแต่และสังยุตยังแบ่งออกเป็นวรคย่อยและธรรมาจักรกับวัตนะสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรแรกในวักที่สองของสั จ, จสังยุต บทนำธรรมจักรกับประวัตนสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนามลึกขทัทยวันใกล้เมืองพารณสีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีบทนำข้างต้นนี้เป็นถ้อยคำที่พระอานอนท์ตอบคำถามของพระมหากษัต ในการสังขยาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งซึ่งมีขึ้นเมื่อประมาณสามเดือนเศษหลังพุทธปรินิพพานพระมหากรส ป, ปะได้ถามพระอ น, นุ์ว่าธรรมาจาักแสดงไว้ที่ไหนใครเป็นผู้แสดงแสดงแก่ใครและแสดงอย่างไรพระอนุนจึงได้ตอบว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมลึกคาทยวันใกล้เมืองพาราณสีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีวันที่ทรงแสดงพระสูตรนี้ในบทนำไม่ได้กล่าวถึงวันที่แน่นอน เพียงแต่กล่าวว่าสมัยหนึ่งเช่นเดียวกับพระสูตรอื่นทั่วไปอาจเป็นเพราะจะทําให้ยากแก่การทรงจําและนํามาสาธยายก็เป็นได้แต่อาจคํานวณได้จากข้อมูลในพระวินัยปิฎกและพระสูตรอื่นๆที่ระบุว่าพระสูตรนี้เป็นพระธรรมเทศนาการแรกที่ทรงแสดงในคืนเพ็ญเดือน8หลังจากทรงตรัสรู้แล้ว ขณะที่ธรรมะบรรยายนี้มีขึ้นในปีพุทธศักราช 2,506 เมื่อรวมเวลาที่ทรงจาริกประกาศพระศาสนาอยู่อีก45ปีก่อนปรินิพพานก็สรุปได้ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักมาแล้ว 2,551 ปีป่ามฤกรัตยวันในสมัยพุทธกาลคงเป็นไพรสนที่ลาวกว้าง สามารถท่องเที่ยวหากินโดยไม่มีภัยจึงได้ชื่อว่าป่ามาลุคทยาวันในวงเล็บป่าให้อภัยแก่เนื้อแต่ในปัจจุบันบริเวณนี้เป็นเพียงพื้นที่ราบลุ่มมีชาวบ้านอยู่อาศัยทำไร่นากล่าวกันว่าสมัยก่อนพุทธกาลพระปัจเจ ก, กับพทธเจ้าทั้งหลายมักเหาะจากภูเขาคันธมาศ มายังป่าแห่งนี้และพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนก็เหาะลงมาในป่านี้เพื่อแสดงธรรมจักรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ป่านี้จึงได้ชื่อว่าอิสิ ป, ปัตนะในวงเล็บสถานที่เหาะลงมาของท่านผู้ประเสริฐ บทนำพระสูตรสามประเภทบทนำพระสูตรซึ่งกล่าวชี้แจงที่แสดงพระสูตรว่าแสดงเพื่อใครหรือมีอะไรเป็นเหตุแบ่งให้เป็นสามประเภทหนึ่งเล่าเรื่องที่เกิดในสมัยดึกดำบรรตั้งแต่สมัยพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่สุมเมศดาบทได้รับพุทธภยากร จากพระพุทธเจ้าทีปังกรจนกระทั่งถึงเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตรพระนามว่าเสตเกตเท พ, พบุตรในวงเล็บทูเรนิธานคือบทนำไกลสองเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงต่อมาหลังจากที่พระโพธิสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต จนกระทั่งทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวงเล็บอวิทูเรนิธานคือบทนำไม่ไกล 3. เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากตรัสรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงแสดงธรรมจักรซึ่งเป็นที่มาของข้อความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคในวงเล็บ สันติเกนิธานคือบทนำใกล้บัรนี้จะกล่าวถึงบทนำประเภทที่สองโดยถอดเนื้อความมาจากพระสูตรต่างๆคือสุขุมารสูตรในอังคุตรนิกายติกานิปาตอาปริยะปริเยสนะสูตรที่เรียกว่าปาสาราสิสูตรในมัชฌิมนิกายโมลปันนาต มหาสักจกะสูตรในมัชฌิมนิกายโมลปัญนาตโพธิราชกุมารสูตรในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาตสังคาราวัสสูตรในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัญนาตปปัพชาสูตรในคุตกรนิกายสุตตานิบาตประธานาสูตรในคุธกรนิกายสุตตานิบาต พระโพธิสัตว์เสวยโลกิยะสุขพระโพธิสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต h, ถือเอาปฏิสนธิในพระกรันของพระนางสิริมหามายาอัครมเหสีของพระเจ้าสุดโททนะเจ้าผู้ครองกรุงกบิลพัทประสูตรในวันสุขตรงกับวันเพ็ญเดือนหกในปีที่68แห่งมหาสักราช ณป่าสาละในสวนลุมพินีทรงพระนามว่าเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเมื่อมีพระชนได้ 16, สิบหกพันษาได้อภิเศกสมรสกับพระนางยะโสธราพระธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะเจ้าผู้กรองกรุงเทวัทหะทรงเพลิดเพลินอยู่ในราชสมบัติแวดล้อมด้วยพระสนมจำนวนสี่หมื่น วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะมีพระประสงค์จะเสด็จประพาสอุทยานในระหว่างทางที่เสด็จนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นชายชร า, าทําให้ทรงสลดพระทยัยจึงเสด็จกลับวงังในวันรุ่งขึ้นพระองค์มีพระประสงค์จะประพาสอุทยานอีกระหว่างทางได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บนอนร้องครวญครางอยู่ ทรงสลดพระทัยแล้วจึงเสด็จกลับวังในวันที่สามได้ทอดพระเนตรเห็นคนตายระหว่างทางที่เสด็จไปประพาสอุทยานทำให้เกิดความสลดสังเวชยิ่งขึ้นและยังเป็นเหตุให้ทรงพิจารณาการแสวงหาที่ประเสริฐและไม่ประเสริฐดังที่บรรยายไว้ในอปริยะปริเยสนะสูตร ทรงพิจารณาการสแสวงหาสองอย่างในอปริยะปริเยสนสูตรนั้นพระโพธิสัตว์ได้พิจารนาว่าเราเองเป็นผู้มีความแก่ชราเป็นธรรมดายังมัวสแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ชราเป็นธรรมดาคือบุตรภรยาฆ่าทาตบริวารแพะแกะเป็ดไก่สุกรช้างม้าวัวควาย เงินทองตลอดจนสิ่งของที่น่าเพลิดเพลินยินดีต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อเรายังไม่หลุดพ้นจากความแก่ชรามัวแต่สแสวงหาความเพลิดเพลินจากสิ่งที่มีความแก่ชราเป็นธรรมดาย่อมเป็นสิ่งไม่สมควรอย่างยิ่งในทํานองเดียวกัน เราเองเป็นผู้มีความป่วยไข้และความเจ็บตายเป็นธรรมดาถ้ายังมัวสแสวงหาความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่มีความป่วยไข้และความตายเป็นธรรมดาก็เป็นการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐในทางตรงกันข้ามเมื่อเราเป็นผู้มีความแก่ชราความป่วยไข้และความตายเป็นธรรมดา เห็นทั้งสิ่งที่มีความแก่ชราความป่วยไข้และความตายเป็นธรรมดาจึงควรสแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ป่วยและไม่ตายการสแสวงหาเช่นนี้จึงจะเรียกว่าการสแสวงหาที่ประเสรศิฐที่จริงแล้วพระโพธิสัตว์ได้ทรงสแสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐมาก่อนด้วยความเพลิดเพลินในชีวิตที่พรั่งพร้อมไปด้วยความสําราญในวัง ดังที่ตรัสไว้ในอริปริเยสนะสูตรว่าภิกษุทั้งหลายก่อนที่เราจะตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เป็นผู้มีการเกิดเป็นธรรมดายังแสวงหาสิ่งที่มีการเกิดเป็นธรรมดาอยู่เราเป็นผู้มีความแก่ชาราเป็นธรรมดา ยังสแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ชราเป็นธรรมดาอยู่หลังจากนั้นได้ตรัสถึงความดำริในการสแสวงหาพระนิพพานที่หลุดพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายว่าเราเป็นผู้ที่มีการเกิดเป็นธรรมดาได้รู้โทษของความเกิดจึงควรสแสวงหาพระนิพพานอันประเระสริฐปราศจากความเกิด ปลดเปลื้องเครื่องผูกมัดเราเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาได้รู้โทษของความแก่จึงควรสแสวงหาพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งปราศจากความเกิดและปลดเปลื้องเครื่องผูกมัดนี่คือสาเหตุที่ทําให้พระโพธิสัตว์ทรงดรําริที่จะสแสวงหานิพพานอันเป็นอิสระจากความแก่ชาราความป่วยไข้ และความตายซึ่งเป็นจุดหมายที่น่าชื่นชมต่อไปเราจะมาศึกษากันว่าน่าชื่นชมด้วยเหตุใดสมมุติว่าชายชาราคนหนึ่งมีสังขารสุดโทมควรรือที่เขาจะคบหากับเพื่อนชายหญิงที่แก่ชาราพอๆกันถึงบางคนจะอายุน้อยกว่าแต่ก็เห็นได้ชัดว่าอีกไม่นานก็จะแก่ชาราลงไปเหมือนกัน แต่โชคร้ายเพราะฝ่ายหนึ่งกลับล้มป่วยนอนสมอยู่แต่บนเตียงเป็นภาระให้อีกฝ่ายหนึ่งเฝ้ารักษาพยาบาลจนกระทั่งตายจากกันไปความหวังที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขก็พังทลายและเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งตายไปผู้ที่ยังอยู่ก็เศร้าโศกอะไรอาวรนผลสุดท้ายไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหนีพ้นความแก่ ความเจ็บและความตายไปได้ดังนั้นจึงเป็นความโง่เขลาที่เราจะสแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลินจากสิ่งซึ่งไม่พ้นไปจากความแก่ความเจ็บป่วยและความตายแต่ควรสแสวงหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งที่เป็นพระภิกษุและคารวะที่มาปฏิบัติวิปัสสนาในสำนักแห่งนี้ จัดว่ากำลังแสวงหาทางอันประเสริฐที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายทรงออกผนวดพระโพธิสัตว์ได้เสด็จประพาสอุทยานในวันที่สทอดพระเนตรเห็นนักบวช เมื่อทรงสดับว่านักบวชเป็นผู้สละบ้านเรือนออกบวชเพื่อสแสวงหาความหลุดพ้นก็ทรงพอพระทยัยและมีดำริจะออกบรรพชาเพื่อสแสวงหาธรรมที่ไม่แก่ไม่เจ็บและไม่ตายโดยต้องการจะหลุดพ้นเองและช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากทุกข์ที่เกิดจากความชราความป่วยไข้และความตายในวันเดียวกันนั้น พระนางยโสธราได้ประสูตรพระโอรสเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงทราบข่าวได้ตรัสว่าห่วงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องจองจําได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อพระเจ้าสุโทโธทนะทรงได้ยินดังนั้นจึงรับสั่งให้ตั้งชื่อพระนัดดาว่าราหุลในวงเล็บห่วงโดยหวังว่าพระกุมาร จะเป็นเครื่องเหนียวรั้งไม่ให้พระโพธิสัตว์ออกผนวดอย่างไรก็ตามพระโพธิสัตว์ทรงเบื่อหน่ายในโลกโลกียาสุขเสียแล้วไม่ทรงสนพระไทยในเหล่าสตรีที่มาขับร้องฟ้อนรำถวายตอนค่ำและได้บรรทมหลับไปบรรดาสตรีนักร้องและนักฟ้อนรำทั้งหลายก็พากันนอนหลับไปบ้างคลั้นพระองค์ทรงตื่นบรรทมตอนดึก ได้ทอดพระเนตรเห็นอาการต่างๆที่ไม่น่าดูของสตรีที่นอนหลับอยู่ก็ยิ่งบังเกิดความเบื่อหน่ายอย่างรุนแรงเหมือนเห็นซากศพในป่าช้าดังนั้นจึงเสด็จออกจากพระราชวังในยามเที่ยงคืนโดยประทับบนหลังมา้ากันทกะมีนายฉันณนมหาดเล็กเป็นผู้ติดตามไปแต่เพียงผู้เดียวเมื่อมาถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ได้เสด็จลงจากหลังม้าประทับยืนที่หาทรายริมฝั่งแม่น้ำแล้วใช้พระขันตัดพระเมาลีและพระมัดสุออกหลังจากนั้นทรงถอดเครื่องทรงกษัตริ์ที่สวมใส่อยู่มอบให้นายฉันนะทรงครองผ้ากาสาวพัดที่คติการพรมน้อมนำมาถวายทรงถือเพศเป็นบรรพชิต พระองค์มีพระชนมายุเพียงยี่สิบก้าพรรษาในขณะที่เสด็จออกมหาพิเนศกรมนั้นวัยของพระองค์นับเป็นวัยที่คนทั่วไปยังหมกมุ่นอยู่ในกามสุขการที่ทรงสละความสุขที่เพียบพร้อมทุกอย่างเพื่อออกผนวดในวัยที่ยังหนุ่มแน่นแข็งแรงจึงเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมสารเสริญยิ่งนัก เสด็จไปสู่สำนักของอาลาระดาบดในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของนักบวชจึงได้เสด็จไปยังสำนักของอาลาระดาบดผู้สามารถเจริญฌานสมาบัติจนถึงอากินจัญญายตนะสมาบัติที่เจ็ดในฌานสมาบัติที่มีทั้งหมดแปดอย่างซึ่ง นับเป็นความสำเร็จขั้นสูงในสมัยนั้นอลาระดาบทเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีสิทธิ์ยานุสิทธิ์จำนวนมากในคำพีทางเทรวาทไม่ได้กล่าวถึงสำนักและจำนวนสิทธิ์ของท่านแต่ในคำพีพุทธวงศ์ของนิกายสายเหนือชื่อลลิตวิสัตระกล่าวว่า อาลาระดาบทมีสำนักอยู่ในแคว้นเวสาลีมีสิทิ์ราวสามร้อยคนพระพุทธองค์ตรัสถึงการเรียนวิชาของพระโพธิสัตว์ในสำนักของอาลาระดาบทว่าหลังจากที่ได้ออกบวชเพื่อแสวงหาพระนิพพานอันเป็นความสงบอันประเสริฐสุดเราได้ไปยังสำนักของอาลาระดาบทเพื่อขอเรียนวิชา แต่ลาระดาบทได้ตอบว่าสหายโคตมะข้าพเจ้ายินดีรับท่านเป็นศิษยธรรมะของข้าพเจ้าผู้มีสติปัญญาสามารถเรียนจบได้ในเวลาไม่นานและจะสามารถประจักษ์แจ้งผลของการปฏิบัติได้เช่นเดียวกับอาจารย์ทีเดียวเมื่อได้ฟังคำรับรองจากอาจารย์ว่าผู้ที่เรียนจบแล้วสามารถเข้าใจปฏิบัต ให้เห็นผลได้ด้วยตนเองพระโพธิสัตว์จึงตกลงเข้าเป็นสิทธิ์โดยคิดว่าอลาระดาบทไม่ได้สอนตามความเชื่อของตนไม่ได้สอนตามคำภีที่ตนอ้างอิงและไม่ได้สอนตามคำที่ได้ยินสืบทอดกันมาแต่สอนตามแบบประสบการณ์ที่ตนรู้แจ้งมาแล้วและทำให้ผู้เรียนรู้แจ้งได้โดยเร็ว ในสมัยนั้นท่านอาจารย์สอนกรรมฐานยังไม่เคยปฏิบัติธรรมจนประจักษ์แจ้งด้วยตนเองแล้วก็ไม่ควรสอนหรือเขียนหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยอาศัยเพียงรู้จากตำราเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับแพทย์ที่สั่งยาให้คนไข้โดยที่ยานั้นยังไม่ได้ผ่านการทดลองความปลอดภัยและตัวในแพทย์เอง ก็ยังไม่กล้าใช้ยานั้นการสอนนั้นย่อมไม่น่าเชื่อถือได้อย่างแท้จริงพระโพธิสัตว์ได้ฟังคำรับรองของอลารดาบทอย่างนี้แล้วก็เกิดความเชื่อมั่นดํ่ริว่าพระองค์มีศรัทธาเหมือนดาบทนี้อีกทั้งมีวิริยะสติสมาธิและปัญญาเหมือนดาบทนี้เช่นเดียวกันจึงเจริญฌานตามที่ ลาระดาบทแนะนำจนบรรลุสมาบัติเจ็ถึงขั้นอากินจัญญายตนะฌานลาระดาบทก็กล่าวรับรองว่าพระองค์มีความรู้เท่ากับอาจารย์แล้วและชักชวนให้ร่วมเป็นอาจารย์สอนในสํานักแต่พระโพธิสัตว์ทรงเห็นว่าคำสอนนี้ยังไม่ใช่ทางหลุดพ้นเพราะอากินจัญญาญตนะฌาน เพียงส่งผลให้ไปเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกชั้นอากินจัญญาญตนะภูมิจึงลาอาราณาบดออกเดินทางเพื่อสแสวงหาโมกสะต่อไปเสด็จสู่สำนักของอุทกะดาบด เมื่อพระโพธンンิสัตว์หลีกออกสำนักของอาลาระดาบทแล้วได้ยินกิตติศัพท์ของอุทกาดาบทรามบุตรจึงเดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของอุทกาดาบทเหตุการณ์ทั่วไปก็คล้ายกับครั้งที่เรียนกับอาลาระดาบทแต่อุทกาดาบทนัท้นท่านเป็นทั้งสิทธิและบุตรของรามดาบทอีกทอดหนึ่งรามดาบทสำเร็จฌานสมาบัติแปด ได้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแต่ได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนอุทกาดาบทถึงแม้จะยังไม่สําเร็จถึงขั้นนั้นก็สามารถบอกวิธีการปฏิบัติให้แก่พระโพธิสัตว์จนสามารถเจริญฌานได้สําเร็จอุทกาดาบทจึงต้องการยกตําแหน่งเจ้าสํานักให้แก่พระโพธิสัตว์ เพราะถือว่าพระองค์สำเร็จฌานชั้นสูงสุดระดับเดียวกับปรามดาบทคำพีทางเถรวาทไม่ได้ระบุว่าอุทกาดาบทมีสำนักอยู่ที่ไหนและมีสิทธิ์เท่าใดแต่ในคำพีลาลิตวิสตระกล่าวว่าสำนักของอุทกาดาบทอยู่ในกรุงรัชกรืมีสิทธิ์ราวเจ็รอคนมีข้อสังเกตว่า ในขณะที่พระโพธิสัตว์มาพบกับอุทกาดาบทนั้นอุทกาดาบทเองก็ยังไม่สําเร็จสมาบัติ8แต่สามารถอธิบายให้พระโพธิสัตว์ทราบได้ว่ารามดาบทสําเร็จถึงขั้นไหนและเมื่อพระโพธิสัตว์สามารถทําได้ถึงขั้นเดียวกับรามดาบทอุทกาดาบทจึงยอมมอบตําแหน่งเจ้าสํานักให้ และในคำพีดีกาของมัชิมะปัญ น, นาสได้กล่าวว่าอุทกาดาบทได้เห็นตัวอย่างจากพระโพธิสัตว์จึงเพียรปฏิบัติจนบรรลุนวะสัญญานาสัญญายาตนะสมบัติเช่นเดียวกันพระโพธิสัตว์ทรงเป็นหัวหน้าสำนักอยู่ได้ไม่นานก็ทรงดำริว่าคำสอนนี้ก็ยังไม่ใช่ทางไปสู่นิพพานเช่นเดียวกัน เมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดในพรหมโลกชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนาภูมินานแปดหมื่นสี่พันกับครั้นตายจากพรหมโลกก็จะต้องมารับทุกข์ในโลกมนุษย์อีกไม่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นที่ทรงสแสวงหาจึงทรงสละฌานที่บรรลุแล้วโดยไม่ใส่ใจอีกแล้วออกจากสำนักของอุทธกะดาบท ทรงบำเพ็ญทุกกระกิริยาที่อุรุเวลาเสนานิคมเมื่อออกจากสำนักของอุทกาดาบทแล้วพระโพธิสัตว์ทรงเที่ยวจาริกไปในดินแดนแคว้นมคตทั้งนี้เพื่อค้นหาทางสู่ความไม่ตายคือพระนิพพานด้วยตนเองจนกระทั่งมาถึงป่าอุรุเวลาตำบลเสนานิคมซึ่งมีแม่น้ำเนรัญชาราไหลผ่าน ทรงเห็นว่าเป็นที่สงบสงัดน่ารื่นรมเหมาะสมสำหรับการบำเพ็ญเพียรอีกทั้งมีหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลสำหรับการบินทบาทจึงหยุดพักในป่าแห่งนั้นในขณะนั้นพระโพธิสัตย์ยังไม่ทราบชัดว่าจะบำเพ็ญเพียรด้วยวิธีใดเนื่องจากในสมัยนั้นนิยมการทรมานตนเพื่อเผากิเลสพระองค์จึงทรงดาริถึงผู้บาเพ็ญเพียร ที่อุปมาเหมือนไม้สามชนิดคือ 1. ไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแช่อยู่ในน้ำเมื่อนำมาเสียดสีกันเข้าก็ไม่สามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได้เปรียบได้กับผู้ที่ยังติดข้องอยู่ในกามคุณทั้งห้าแวดล้อมได้บุตรภรยาและญาติพี่น้องเป็นต้นเพลิดเพลินยินดีในกามสุข บุคคลพวกนี้แม้จะเพียรพยายามสักเพียงใดปัญญาก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 2. ไม้สดที่ชุ่มด้วยยางแม้ไม่แช่อยู่ในน้ำเมื่อนำมาสีกันก็ไม่สามารถทำให้เกิดไฟขึ้นได้เพราะไม้นั้นยังชุ่มด้วยยางเปรียบได้กับผู้ที่สละบ้านเรือนออกบวช แต่จิตใจยังติดข้องอยู่กับการมคุณทั้งห้าผู้นั้นก็ยังไม่อาจทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ในคำพีอัตถกถากล่าวถึงอุปมาทั้งสองข้อนี้ว่าเป็นการปฏิบัติของพวกพ ร, รามธรรมิกในวงเล็บพ ร, รามประพฤติวัตพรพรามพวกนี้ใช้ชีวิตนักบวชตั้งแต่ยังหนุ่มจนกระทั่งอายุ48ปีแล้วกลับไปแต่งงาน มีครอบครัวเพื่อสืบทอดวงตระกูลดังนั้นในขณะที่บวชอยู่พวกเขาจึงยังมีความคิดข้องอยู่เกี่ยวกับกรรมคุณ 3. ไม้แห้งปราศจากยางไม่ตั้งอยู่ในน้ำเมื่อนำมาเสียดสีกันก็จะทำให้เกิดไฟขึ้นได้โดยง่าย ซึ่งเปรียบได้กับผู้ที่สละความยินดีในกามคุณแล้วย่อมสามารถทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายไม่ว่าการบําเพ็ญเพียรของเขาจะประกอบด้วยการทรมานตนหรือไม่ก็ตามตามในของอุปมาข้อที่สนี้นั้นพระโพธิสัตว์อาจเลือกที่จะบําเพ็ญเพียรได้สองวิธีแต่ได้ทรงเลือกวิธีที่จะบําเพ็ญทุ ก, กรกิริยา ตามที่นิยมทําในสมัยนั้นเช่นขบฟันเน้นเอาลิ้นดุลที่เพดานการบำเพ็ญทุกรกรริยานี้ทําให้พระองค์ประสบกับทุกขเวทนาแรงกล้าจนกระทั่งพระเศธโธไหลออกจากพระกัตชะในวิตั ก, กสันฐานสูตรได้กล่าวถึงการขับไล่ความคิดให้หมดไปด้วยวิธีเดียวกันนี้ แต่พระพุทธองค์ได้แสดงพระสูตรนี้หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้วเป็นวิธีปฏิบัติวิปัสนาอย่างหนึ่งเพื่อขจัดความทยานอยากที่เกิดขึ้นและยังได้ตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรพร้อมทั้งพระสูตรอื่นอีกด้วยดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าวิธีปฏิบัติขณะบำเพ็ญทุกกิริยานั้น จะต้องแตกต่างจากวิธีการปฏิบัติตามมัชิมาปฏิปทาที่ได้ทรงตรัสรู้ในภายหลังซึ่งก็คือการฝึกฝนจิตไม่ให้เป็นทุกข์เมื่อรู้สึกเจ็บปวดทรมานทางร่างกายหลังจากนั้นพระโพธิสัตว์ได้ใช้วิธีกลั่นลมหายใจซึ่งทำให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจนถึงกับสิ้นสติลม้มลง ลาวเทวดาบางตนกล่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วแต่บางตนว่ายังไม่สิ้นพระชนแต่จวนเจียนเต็มทีแล้วบางตนก็กล่าวว่าพระองค์กำลังเสวยสุขอยู่ในอรหัตผลแม้จะต้องทนทุกข์ทรมานถึงเพียงนี้พระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะอะไรเลยต่อมาได้ทรงดำริว่าจะต้องพยายามให้ยิ่งขึ้นอีก โดยการอดอาหารลาวเทวดาก็พากาันทูลทัดทานว่าหากพระองค์ทรงอดอาหารพวกข้าพระองค์จะโลมพระวรกายด้วยอาหารทิพย์เพื่อให้พระองค์ดำรงพระชนชีพอยู่ได้พระโพธิสัตว์จึงเลิกล้มความคิดที่จะอดอาหารเพราะถ้าเทวดาทาเช่นนั้นการอดอาหารของพระองค์ก็เป็นการหลอกลวง และได้เปลี่ยนจากการอดอาหารมาเป็นการลดอาหารลงทีละน้อยจนในที่สุดเหลือเพียงแกงถั่ววันละหนึ่งอุ้งมือเท่านั้นเป็นเหตุให้พระวรากายสูผ้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูเช่นที่เราเห็นในภาพพระโพธิสัตว์ปางบำเพ็ญทุกระกิริยาดวงตาทั้งสองลึกโบลงไปในเบ้าเหมือนบ่อน้ำ หนังศิรษะเหมือนน้ำเต้าที่ตากแดดจนเหี่ยวแห้งเมื่อจะลูบท้องก็ไปถูกกระดูกสันหลังเมื่อจะลูบกระดูกสันหลังก็ไปถูกท้องเวลาจะลุกขึ้นไปอุจระหรือปัสวะก็หมดแรงล้มคว่ำลงไปบางคนมาเห็นพระโพธิสัตว์ในสภาพเช่นนั้นบ้างก็ว่าพระสมณโคโดมมีผิวดำ บางก็ว่าพระสมณโคโดมมีผิวสีน้ำตาลอีกคนก็กล่าวว่าพระสมณโคโดมมีผิวสีน้ำตาลแกมน้ำเงินเหมือนหนังปลาพระชวีวันอันผุดผ่องเปล่งปรงดังสีทองได้เปลี่ยนแปลงไปถึงเพียงนี้เพราะการอดอาหารนั่นเอง พญามารมาหลอกล่อในขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังบาเพ็ญเพียรอย่างอุกฤษอยู่นั้นพญามารก็มาปรากฏตัวแล้วกล่าวแสดงความเห็นใจขอให้พระองค์รักษาพระชนชีพไว้ดีกว่าเพราะจะได้อยู่เพื่อสร้างบุญกุศลต่อไปดังข้อความว่าท่านผู้สูผ้ผอมมีผิวพรรณเศร้าหมองความตายอยู่ใกล้ท่าน ความตายของท่านมีตั้งพันส่วนความเป็นอยู่มีส่วนเดียวท่านผู้จเจริญท่านจงเป็นอยู่เถิดชีวิตของท่านดีกว่าความตายถ้าท่านยังเป็นอยู่ก็จะทำบุญได้บุญกุศลที่พญามารกล่าวถึงนั้นไม่ได้หมายถึงการให้ทานการรักษาศีลหรือการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อจเจริญมรรคให้เกิดขึ้นอย่างที่เข้าใจกันในปัจจุบัน เพราะพญามารไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้หากแต่หมายถึงการรักษาพรหมจันทร์คือการงดเว้นจากการเสพกามและการบูชาไฟตามวิธีของพรามที่เชื่อกันว่าดีเลิศทำให้เจริญมั่งคั่งและได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีดังคำกล่าวของพญามารต่อไปว่าท่านประพฤติพรหมจันทร์และบูชาไฟอยู่ย่อมสั่งสมบุญได้มาก ท่านจะทำอะไรด้วยความเพียรอย่างไรก็ตามพระโพธิสัตว์ไม่ได้ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นจึงตอบพยามารว่าเราไม่ต้องการบุญกุศลของท่านแม้แต่นิดเดียวจงบอกทางแสวงบุญของท่านให้แก่คนอื่นที่ต้องการเถิดดังคำกล่าวว่าเราไม่ต้องการบุญกุศลของท่านแม้แต่เพียงเล็กน้อยท่านควรจะบอกบุญของท่าน ให้แก่ผู้ที่ต้องการเถิดบางคนอาจเข้าใจผิดว่าผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาจะพ้นจากสังสารวัติควรเลิกละแม้กระทั่งการทำบุญกุศลที่จริงแล้วการทำบุญกุศลตามที่พญามารพูดถึงนั้นไม่ได้หมายถึงการให้ทานการรักษาศีลการเจริญวิปัสสนาและมาก ซึ่งเป็นบุญกุศลที่เกื้อกูลต่อพระนิพพานแต่หมายถึงบุญกุศลตามที่เข้าใจกันทั่วไปในสมัยนั้นว่าเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความสุขในชีวิตภายหน้าด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่าพระโพธิสัตว์ไม่ได้เลิกละการทําบุญกุศลประเภทที่จะนําไปสู่พระนิพพานอันหนึ่งในขณะนั้นแม้พระโพธิสัตว์เองยังเชื่ออยู่ว่าการทรมานตน เป็นวิธีที่จะทําให้เกิดยานปัญญารู้แจ้งได้จึงตรัสว่าแม้ลมยังพัดให้น้ําในแม่น้ําเหือดแห้งไปได้ฉันใดเมื่อเราพยายามอย่างยิ่งยวดเช่นนี้เลือดในกายของเราก็อาจเหือดแห้งไปได้ฉันนั้นเมื่อเลือดของเราเหือดแห้งไปน้ําดีและน้ําเสลก็จะแห้งไปด้วยเมื่อเนื้อหนังแห้งเหี่ยวไป จิตของเราก็จะกระจางแจ้งสติสมาธิและปัญญาก็จะตั้งมั่นพยามารเองก็เข้าใจผิดว่าการอดอาหารจะนำไปสู่การตรัสรู้และความหลุดพ้นจึงพยายามเกลี้ยกลก่อมให้พระโพธิสัตว์ได้เลิอกอดอาหารแม้พวกภิกษุปัญจวคีก็เชื่ออย่างเดียวกันจึงได้พากันมาเฝ้าปรนิบัติด้วยความหวังว่า เมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพวกตนก็จะได้เป็นพวกแรกที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะเห็นได้ว่าคนทั่วไปในสมัยนั้นเชื่อว่าการทรมานตนเป็นหนทางสู่การตรัสรู้มัชิมาปฏิปทา หลังจากที่ได้ทรงบำเพ็ญทุกขะรยิยาอยู่ถึงหปีโดยไม่ประสบความสำเร็จพระโพธิสัตว์ก็ได้เริ่มตระหนักว่าการทรมานตนของสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่จะก่อให้เกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหาัสยิ่งไปกว่าที่เรากำลังประสบอยู่นี้เป็นอันไม่มีบัดนี้เรารู้แล้วว่า การบำเพ็ญทุกขกรกิริยานั้นไม่ก่อให้เกิดคุณวิเศษแต่อย่างใดเรานั้นยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่จะทำลายกิเลสได้เลยทางอื่นเพื่อการตรัสรู้คงพอมีอยู่บ้างครั้นแล้วพระองค์ทรงหัวละลึกถึงเมื่อ ย, ยังยาววัยได้ประทับอยู่ตามลำพังที่ใต้ต้นว่าและเข้าสมาธิบรรลุปฐมฌาน ในขณะที in <ch ains> <backstory> ่พวกพี่เลี้ยงมัวแต่สารวนอยู่กับการงานราชพิธีจรดพระนางคานแลกนาขวัญใกล้ๆกันนั้นพระองค์จึงทรงพิจารณาว่าญาณจิตนี้อาจจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การตรัสรู้อริยสัจได้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าพระโพธิสัตว์ทรงประสูตยในคืนวันเพนเดือนหกในวงเล็บพฤษภาคม ส่วนการประกอบพิธีจรวดพระนางคันนั้นจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนหรือกรกดาคมเป็นเวลาประมาณ 1-2 สองเดือนหลังจากที่ทรงประสูดเมื่อเหล่าขระราชบริพารได้พากันไปดูงานพิธีจรดพระนางคันอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรไปโดยรอบไม่เห็นพวกพี่เลี้ยงจึงนั่งคูบัลลัง และด้วยอุปนิสัยที่พระองค์ได้สั่งสมมาหลายภพหลายชาติพระองค์จึงได้เจริญอาณาปานาสติจนบรรลุปฐมฌานอันประกอบด้วยวิตกในวงเล็บสภาวะน้อมจิตสู่อารมณ์วิจารสภาวะติดตามอารมณ์ปีติในวงเล็บความอิ่มใจสุขในวงเล็บ ความสุขใจและเอกกคตาในวงเล็บความที่จิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวขลัเหล่าขราชบริพานกลับมาเป็นเวลาบ่ายคร้อยมากแล้วแต่เงาของต้นว่ากลับไม่ได้เคลื่อนไปจากที่เดิมเมื่อพระเจ้าสุดโททนะทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่ใต้เงาต้นว่าเช่นนั้นทรงเกิดความเลื่อมใส ถึงกับถวายความเคารพแก่พระโอรสเมื่อพระโพธิสัตว์ระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ตระหนักว่าการบำเพ็ญฌานด้วยอนาปานสติน่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่นำไปสู่การตรัสรู้ได้แต่ร่างกายที่ซู่ผอมนี้ไม่สามารถจเจริญฌานได้พระองค์จึงกลับมาเสวยพระกายฐารอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ร่างกายมีกาลังพอ จะปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกฝ่ายภิกษุปัญจวัคคีย์เมื่อได้พบเห็นพระโพธิสัตว์กลับมาเสวยพระกยาหารก็เข้าใจผิดคิดว่าพระโพธิสัตว์เลิกล้มความเพียรหันมาบำรุงร่างกายเพื่อความร่ำรวยและชื่อเสียงจึงพากันจากไปและได้ไปพำนักอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมลึกขทยวันใกล้เมืองพารณสีในเวลาต่อมา การตรัสรู้หลังจากภิกษุปัญจวคีได้จากไปในวันแรม15้าค่ำเดือน5พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญเพียรอยู่ตามลำพังเพียงส5วันจึงได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพณเดือน6ในเวลานั้น พระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้35พรรษากำลังอยู่ในวัยชะกันมีพรนานมัยสมบูรณ์เมื่อกลับมาเสวยพระกยาหารก็กลับมามีพระกํำลังถึงพร้อมด้วยมหาปุริศลักษณะดังเดิมและสามารถเจริญสมาธิบรรลุปฐมฌานจนถึงจจตุถฌานตามลำดับในวันเพ็ญเดือน6ปีที่1้อสาม แห่งมหาศักราชซึ่งเป็นเวลา 2,551 ปีมาแล้วพระโพธิสัตว์ประทับนั่งใต้ต้นไทรใกล้หมู่บ้านเสนานิคมเพื่อรอเวลาออกบินทบาทยังหมู่บ้านในขณะนั้นนางสุชาดาซึ่งเป็นพระธิดาของเศรษฐีในหมู่บ้านกำลังเตรียมอาหารเพื่อนำมาบวงสรวงเทวดาประจำต้นไทรนั้น นางได้ให้สาวใช้ไปทำความสะอาดบริเวณต้นไทรเพื่อทำพิธีเมื่อสาวใช้มองเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งประทับอยู่ใต้ต้นไทรก็เข้าใจว่าเป็นเทวดามารอรับเครื่องบวงสรวงจึงรีบวิ่งกลับมาบอกนายหญิงด้วยความตื่นเต้นดีใจนางสุชาดาได้นำข้าวมัทุ ป, ปายาที่หุงเตรียมไว้แต่เช้าบรรจุลงในถาดทองคา มูลค่าหนึ่งแสกหาปณะนะแล้วเอาถาดทองอีกใบหนึ่งครอบไว้จากนั้นก็นำไปยังบริเวณใต้ต้นไรที่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่นางได้น้อมกายเข้าไปถวายข้าวมัทุปายาติพรางกล่าวว่าความหวังของดิฉันสําเร็จแล้วฉันใดแม้ความหวังของท่านก็จงสําเร็จฉันนั้น เมื่อนางถวายข้าวมัทุปายาตพร้อมถาดทองเสร็จแล้วก็ลากลับไปเมื่อคราวที่นางสุชาดายัางแรกรุ่นนั้นได้มาอธิษฐานต่อเทวดาณต้นไซนั้นว่าหากดิฉันได้สามีที่มีวันณะเสมอกันและได้บุตรคนแรกเป็นชายจะถวายข้าวมัทุปายาตแก่ท่านต่อมานางได้สามีและมีวันละเสมอกัน และได้บุตรคนแรกเป็นชายสมปรารถนาจึงได้มาทำปรีกรรมต่อเทวดาตามคำอธิษฐานนั้นภายหลังเมื่อนางได้ทราบว่าพระโพธิสัตว์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากที่ได้เสวยข้าวมัทุปายาตนั้นนางจึงเกิดปีติยินดีในการถวายทานครั้งนั้นยิ่งนัก ฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้เสด็จลงสงสนานในแม่น้ำเนรัญชาราแล้วทรงแบ่งข้าวมาทุปะยาตออกเป็น49ก้ก้อนแล้วจึงเสวยเมื่อเสวยเสร็จแล้วได้ทรงไปริมฝั่งแม่น้ำอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดทองนี้จงลอยทวนน้ำขึ้นไปแล้วทรงวางถาดทองลงบนกระแสน้ำ ถาดนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำไปจนถึงวังวนซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคชื่อกาลนาคราชแล้วจึงจมลงไปทับถาดทองของพระพุทธเจ้าในอดีตอีกสามพระองค์คือพระกะกุสันทะพระโกนาคมและพระกัศปะพระโพธิสัตว์ประทับพักผ่อนพระอิรียบทอยู่ที่ชายป่าริมฝั่งแม่น้ำ จนกระทั่งถึงเย็นจึงได้เสด็จไปยังต้นอัสสัทภพฤกในวงเล็บต้นโพในระหว่างหนทางที่ทรงดำเนินไปนั้นได้พบกับพรามคนหนึ่งซึ่งได้ถวายยาคาแปดกรรมัมเพื่อใช้ปูลาดบนที่จะประทับนั่งพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังโคนต้นโพด้านทิศตะวันออก แล้วลาดยากคาทั้งแปดกามนั้นลงบนพื้นดินเสร็จแล้วทรงตั้งปณิธานว่าเราจะไม่ลุกจากบัลลังนี้จนกว่าจะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจึงประทับนั่งคูบัลลังผินพระพักไปทางทิศตะวันออกพญามารที่คอยติดตามขัดขวางได้ทราบพระปณิธานดังนั้น ก็พยายามที่จะทำให้พระโพธิสัตว์ลุกจากบันลังที่ประทับแต่พระองค์ก็สามารถเอาชนะพญามารได้ด้วยบารมีที่ได้ทรงสั่งสมมาเมื่อพญามารพ่ายแพ้หลบหนีไปนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงพระโพธิสัตว์ประทับนั่งที่ต้นโพด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิในยามแรกเกิดปัญญาอย่างรู้อดีตชาต ในวงเล็บบุเพนิวาสานุสติยานในยามที่สองเกิดปัญญาอย่างรู้การเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลายทิพจักสุยานและในยามสุดท้ายได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วเจริญวิปั ส, สนาอย่างเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของอุปทานขันห้า บรร ล, ลุโลกุตระมักสี่ตามลำดับในวงเล็บอสวรยคญาณและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามสุดท้ายของคืนวันเพนเดือนหกนั่นเองหลังจากตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ณบรรลังที่โคนต้นโพนั้นอีกเจวันแล้วเสด็จไปประทับณสถานที่อื่นๆอีก6แห่ง แห่งละเจ็ดวันรวมเป็น49วันได้เสวยวิมุตติสุขในวงเล็บสุขในอรหัตผลและพิจารณาธรรมที่ได้บรรลุแล้วในสัปดาห์ที่ห้านั้นพระองค์ประทับนั่งใต้ต้นอชาปละนิโครดในวงเล็บต้นสยทรงพิจารณาว่าการบำเพ็ญทุกกระกิริยา หาประโยชน์มิได้และการพ้นไปจากทุกขระกิริยาของพระองค์เป็นการพ้นที่ดีพยามาณที่คอยเฝ้าดูจึงถือโอกาสกล่าวโทษว่าพระองค์เป็นผู้ย่อหย่อนในการปฏิบัติเพราะนอกจากการบำเพ็ญเพียรด้วยการทรมานตนแล้วไม่มีวิธีอื่นใดที่จะทำให้คนบริสุทธิ์จากกิเลสได้ พระสมณโคโดมได้หันเหไปจากขนทางแห่งความบริสุทธิ์แล้วกลับมาอ้างตนว่าตนเองละกิเลสได้แล้วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าการปฏิบัติที่สุดตรงทั้งหลายล้วนไม่ใช่ทางจะนำไปสู่ความเป็นอมตะเช่นเดียวกับภายและถอที่ไร้ประโยชน์เมื่ออยู่บนบกเรารู้ว่าการทรมานตนเป็นสิ่งเปล่าประโยชน์ จึงได้ละเลิกการทรมานตนทุกชนิดในคำพีอัตกถาอธิบายวัตตาที่มุ่งถึงความไม่ตายดังกล่าวก็คือทุกกระกิริยาที่เรียกว่าอัตกิลมถฐานุโยคคือการเบียดเบียนตนให้ลำบากด้วยการอดอาหารเป็นต้นซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในพระสูตรนี้ ทรงดำริเรื่องการแสดงธรรมหลังจากที่ได้ประทับอยู่ในสถานที่ทั้งเจแห่งแห่งละเจ็วันแล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับที่ใต้ต้นอชาประนิคโครดอีกในวันที่ห้ทรงพิจารณาว่าควรแสดงธรรมครั้งแรกแก่ผู้ใดใครจะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้โดยง่ายครั้นแล้ว ทรงระลึกถึงอลาลาระดาบทกลมาโครเพราะเป็นผู้ทรงปัญญาและมีกิเลสทุลีในดวงตาน้อยเนื่องจากได้อบรมจิตจนบรรลุฌานในระดับสูงแล้วการที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาหาผู้ที่จะเข้าใจธรรมะของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ในปัจจุบันการเปิดสำนักวิปัสนาแห่งใหม่นั้นจำเป็นจะต้องมีผู้ปฏิบัติที่จริงจังมีศรัทธาวิริยะสติและปัญญาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเท่านั้นจึงจะประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติสามารถบรรลุยาณขั้นต่างๆอันจะเป็นตัวอย่างและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นได้ปฏิบัติตาม ส่วนผู้ที่ขาดศรัทธาวิริยะสติและปัญญาหรือพวกที่มีจิตไม่เข้มแข็งมีร่างกายอ่อนแอด้วยวัยชารานั้นไม่อาจเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมอื่นเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาถึงผู้ที่จะเข้าใจธรรมะได้นั้นมีเทวดาตนหนึ่งได้กราบทูลว่าอลาระดาบทถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อเจ็ดวันก่อน ในทันทีที่พระองค์ทรงทราบด้วยพระยานว่าอลาระดาบทได้มรณภาพไปเจ็ดวันแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอกินจัญญายตนะด้วยอำนาจของฌานสมาบัติของท่านพระองค์จึงตรัสอย่างเสียดายว่าอลาระดาบทกรรมโคดมีความเลื่อมใสอย่างใหญ่หลวงถ้าหากท่านดาบทยังมีชีวิตอยู่ก็จะได้ฟังธรรม แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์โดยพลันแต่เนื่องจากไปบังเกิดในอกินจัญญาญตนะพรหมที่เป็นอรูปพรหมซึ่งมีตนาไม่มีรูปจึงไม่สามารถได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และอายุของพรหมในชั้นนี้ก็ยาวนานถึงหกหมื่นกับเมื่อจุติจากพรหมโลกมาบังเกิดในมนุษย์ก็จะไม่ได้พบพระพุทธเจ้า ต้องเวียนว่ายู่ในสังสารวัฏต่อไปอีกนานแสนนานยิ่งถ้าไปเกิดในอายภูมก็จะได้รับทุกแสนสาหัสเป็นเวลาช้านานแม้คนในปัจจุบันนี้ก็เช่นกันอาจมีหลายคนที่ควรได้บรร ล, ลุธรรมชั้นสูงหากได้มีโอกาสฟังธรรมะและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแต่บางคนไม่มีโอกาสฟังธรรมะ บางคนแม้จะเคยได้ฟังธรรมะมาบ้างก็ไม่คิดจะพยายามไปปฏิบัติดังนั้นท่านผู้ฟังธรรมบรรยายนี้อยู่จึงไม่ควรปล่อยโอกาสในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คลั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกถึงอุทกาดาบทรามบุตรคนต่อไปเทวดาจึงได้กราบทูลอีกว่า อุทกะดาบทรามบุตรถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้พระพุทธองค์จะทรงทราบด้วยประญาณว่าอุทกะดาบทถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อคืนก่อนแล้วไปบังเกิดเป็นพรหมในชั้นเนวสัญญานาสัญญาญาตนะด้วยอำนาจฌานสมบัติของท่านพรหมในภูมินี้ก็ปรากฏจากรูปเดียวกัน มีอายุยืนนานถึงแปดหมื่นสีพันกับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่อุทะกาดาบทไม่ได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธองค์และเมื่อจุติจากพรหมโลกมาบังเกิดในมนุษย์ยโลก <c oughs> ก็จะเป็นช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตต่อไปอีก พระพุทธองค์จึงทรงระลึกถึงภิกษุปัญจวัคคีย์เป็นลำดับต่อมาทรงทราบด้วยทิพยจักสุญว่าพวกเขาพักอยู่ที่ป่าอิสิ ป, ปตนามลึกขัตยวันเขตเมืองพารณสีจึงได้ออกเดินทางไปหาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อ น, ก, อนก็มักจะทรงเหาะไปด้วยลิศแต่พระพุทธองค์นั้นประสงค์จะโปรดชีวกผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นนักบวชเปลือยชื่ออุปกะจึงไม่ได้ทรงเหาะไปในอัธกถาพุทธวงศและอัธกถาชาด ก, กระบุว่าพระผู้มีพระภาคเริ่มเสด็จออกเดินทางในวันเพ็ญเดือนแปดในวงเล็บกรกดาคมแต่เนื่องจากป่าอิสิปตนามาลึกขัยวันอยู่ห่างจากตำบลอุรุเวลาเป็นระยะทางสิบแปดโยศ ในวงเล็บ288กิโลเมตรหนึ่งโยธเท่ากับ16กิโลเมตรถ้าไม่เหาะไปด้วยลิตรก็คงจะต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า1วันแน่นอนจึงสันนิษฐานว่าทรงเริ่มออกเดินทางในวันขึ้น6ค่ำเดือน8 ทรงพบอุปการชีวกในระหว่างทางพระพุทธองค์ได้ทรงพบอุปการชีวกนักบวชเปลือยในลทัทธิเชนสาวกของนิครณตบุตรอุปการชีวกทูลถามว่าผิวพันธ์ของท่านผ่องใสนักท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นาศาสดาของท่านท่านเลื่อมใสธรรมของใครพระพุทธองค์ตรัสตอบว่า เราเป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงเป็นสัพพัญยูผู้รู้แจ้งไม่ยึดติดในธรรมทั้งหมดละกิเลสได้หมดสิ้นแล้วเป็นผู้หลุดพ้นในความสิ้นตัญหาเรารู้เองแล้วจะเรียกใครเป็นาศาสดาของเราเล่าอาจารย์ของเราไม่มีผู้ที่เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ที่ทัดเทียมกับเราไม่มีในโลก พร้อมทั้งเทวดาเราเป็นพระอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเป็นผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองเพียงผู้เดียวเป็นผู้สงบดับกิเลสได้อุปการชีวกถามต่อไปว่าจะเสด็จไปไหนได้ตรัสตอบว่าเราจะไปเมืองกาสีเพื่ อ, อยังวงล้อทำให้หมุนไปเราจะย่ำกรองอมริทในโลกที่มืดบอด เมื่ออุปกาชีวกทูลถามว่า <_ d ial> เหตุใดท่านจึงปฏิญญาณตนว่าเป็นพระชินเจ้าจึงตรัสตอบว่าผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วจึงได้ชื่อว่าชินะเหมือนเราอุปกาเราไม่มีความคิดที่จะเป็นบาปชั่วอีกต่อไปจึงเรียกว่าชินะอุปกาชีวกซึ่งเป็นนักบวชในนิกายของนิครณตาบุตร เรียกศาสดาของตนว่าชินะหรือเชนเมื่อพระพุทธองค์ตรัสอุปการชีวกนั้นได้ทรงอธิบายว่าผู้ที่เอาชนะกิเลสและบาปทั้งปวงได้แล้วเท่านั้นจึงควรได้ชื่อว่าชินะเมื่อได้ยินดังนั้นอุปการชีวกกล่าวว่าคงจะเป็นเช่นนั้นและสายศีรษะก่อนจะจากไปมีข้อควรสังเกตว่า แม่อุปการชีวกจะได้พบพระพุทธองค์เฉพาะหน้าก็ยังไม่รู้ตัวและเมื่อพระองค์ทรงประกาศตนเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่ปรงใจเชื่อเพราะยึดมั่นถือมั่นความเชื่อที่ผิดของตนแม้คนปัจจุบันที่หลงผิดไปในทํานองเดียวกันก็มีไม่น้อยเมื่อได้ฟังธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ไม่ยอมเชื่อและยังโดนถูกพูดจาลบลูอีก เราควรระมัดระวังไม่หลงผิดไปอย่างนั้นแม่อุปกาชีวกจะไม่เชื่อถือโดยสนิทใจก็ตามแต่คงจะมีความประทับใจอยู่บ้างครั้นแยกทางไปแล้วต่อมาได้แต่งงานกับบุตรสาวในพรานชื่อจาป่าและหลังจากที่ได้อยู่กินกันจนได้บุตรชายหนึ่งคนแล้วก็เบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ได้ปฏิบัติธรรมสำเร็จเป็นพระอนาคามีเมื่อสิ้นชีวิตลงก็ได้ไปบังเกิดในสุทาวาสพรมชั้นอวิหาในที่สุดจึงได้สำเร็จอรหัตผลในพรหมโลกนั่นเองพระพุทธองค์ทรงทราบล่วงหน้าอย่างนั้นจึงเสด็จดำเนินไปถึงเมืองพารณสีโดยโปรดอุปการชีวก เสด็จถึงป่าอิสิปตนะมาลึกขทยวันเมื่อภิกษุปัญจวคีเห็นพระพุทธองค์เสด็จมาแต่ไกลจึงพูดกันว่าท่านสมณะโคโดมเป็นผู้ตามใจตัวเองคลายความเพียกรกลับไปใช้ชีวิตที่สุขสบายกำลังเสด็จมาพวกเราไม่ต้องไหว้หรือลุกขึ้นต้อนรับไม่ต้องรับบาทจีวรแต่จะปูอัสนะไวหากทรงประสงค์จะนั่ง พลั่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้ามาใกล้แล้วพวกปัญจวัคคีย์ก็พากันลืมข้อที่นัดหมายกันด้วยพุทธานุภาพคนหนึ่งลุกขึ้นไปรับบาตรคนหนึ่งรับจีวรคนหนึ่งปูอาสนะคนหนึ่งหาน้ำมาล้างพระบาทส่วนอีกคนหนึ่งหาตัางมารองพระบาทแต่พวกเขากล่าวเรียกพระองค์อย่างผู้เสมอกันว่าอาวุโส ซ, ซึ่งแปลว่าสหาย พระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วจึงตรัสว่าพวกท่านอย่าเรียกเราโดยระบุนามและใช้คำเรียกว่าสหายเราเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองจงตั้งใจฟังอมะตะธรรมที่เราได้บรรลุเราจะแสดงธรรมแก่พวกท่านหากพวกท่านปฏิบัติตามก็สามารถบรรลุอรหัตผลรู้แจ้งพระนิพพานได้ในเวลาไม่นาน แม้พระพุทธองค์จะได้ทรงรับรองผลการปฏิบัติถึงเพียงนี้พวกปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่เชื่อกลับคัดค้านด้วยถ้อยคำว่าสหายโคดมเมื่อท่านได้เพียรบำเพ็ญทุ ก, กรการกิริยาอย่างหนักท่านก็ยังไม่สามารถบรรลุ ธ, ธรรมวิเศษที่จะทำให้เกิดยานทัศน์เพื่อขจัดกิเลสได้เลยบัดนี้ท่านได้ละความเพียร น, นั้นเสียแล้วกลายมาเป็นผู้มกักมาก ท่านจะสามารถบรรลุคุณวิเศษอะไรได้มีข้อที่น่าสังเกตบางอย่างคือภิกษุปัญจวคีบางท่านเคยเป็นโหรหลวงผู้ทำนายไว้อย่างเชื่อมั่นว่าพระโพธิสัตว์จะได้ออกบวชและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เมื่อพระโพธิสัตว์ละจากการบำเพ็ญทุกระกิริยาก็พากันลงความเห็นว่าพระองค์จะไม่สามารถบรรลุ เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนซึ่งก็หมายความว่าพวกเขากลับไม่เชื่อมั่นในคําพยากรณ์ของตนเองแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อแม้พระพุทธองค์จะทรงประกาศรับรองว่าได้ทรงรู้แจ้งอมตะธรรมแล้วกลับยังคงยึดมั่นอยู่กับความเชื่อที่ผิดว่าการทรมานตนเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะนําไปสู่การตรัสรู้ แม้ภิกษุปัญจวคีจะกล่าวโต้แย้งอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ยังตรัสย้ำเช่นนั้นถึงสามครั้งด้วยพระมหากรุณาคุณแต่ปัญจวคีก็ยังไม่ยอมเชื่อพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าพวกท่านจำได้หรือไม่ว่าตลอดเวลาหปีที่ได้อุปถากเราเคยพูดอย่างนี้หรือไม่พวกปัญจวคีก็ตอบว่าไม่เคยเลยพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธองค์จึงตรัสยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเราเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองจงตั้งใจฟังอมะตะธรรมที่เราได้บรรลุเราจะแสดงธรรมแก่พวกท่านหากพวกท่านปฏิบัติตามก็จะบรรลุอรหัตผลรู้แจ้งพระนิพพานได้ในเวลาไม่นานพวกปัญจะวัคคีย์จึงยอมเชื่อและเตรียมตัวฟังพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ด้วยความเคารพเนื้อหาที่ได้บรรยายมาแล้วนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทรงแสดงพระธรรมเทศนาและต่อไปนี้ก็คือบทนาที่ท่านพระอานนท์กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วดังนี้เป็นต้นเมื่อกล่าวถึงเนื้อความของพระสูตรนี้อันเป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกที่ทาให้กงล้อแห่งธรรม เคื่อนไปขณะที่ทรงแสดงธรรมจากนั้นเป็นเวลาย่ำค่ำของวันเพ็ญเดือน8ซึ่งล่วงมาแล้ว 2,551 ปีหลังวันตรัสรู้ดวงอาทิตย์ใกล้อัสดงยังคงปรากฏเป็นดวงไฟสีแดงที่ขอบฟ้าด้านทิศตะวันตกส่วนบนท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกนั้นดวงจันทร์สีเหลืองนวลเพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้า ในอัตกถาของสังยุตติกายกล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาในขณะที่มีทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่องสว่างอยู่บนท้องฟ้านอกจากภิกษุปัญจวคีห้ารูปแล้วในคำพีมิลินทปัญหากล่าวว่าพรมสิบแปดโกดและเทวดาจำนวนมากมาฟังธรรมท่านเหล่านั้นได้บรรลุธรรมมากมาย จนนับไม่ท่วนและในขณะที่มนุษย์เทวดาและพรมเงียโซดลงสะดับโดยเคารพพระพุทธองค์ได้เริ่มแสดงธรรมจากดังที่กล่าวในบทต่อไป